นีคือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมอาตมาพระไพบุญอภิปุนโนจากวัาป่าตอนไหนโศกทุกสัปดาห์ก็มากับคุณหมอณัฐพงศ์ครับสวัสดีครับผมทันตแพทย์ณัฐพงศ์กนกวิรุณครับ เ, เราก็ตอนนี้เป็นเอพิโซดที่อะไรคนระับคุณหมอเจ็ดสิบสามครับท่านเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามตอนนี้เราก็จะเอาคําถามของออท่านผู้ฟังต่างๆมาตอบนิดนึง นะก็เขามีคอมเมนต์แรกจากคุณน้ำฝนที่พูดถึงเรื่องการศึกษาพุทธวจนะที่ที่บอกว่าการศึกษาพุทธวจนะนี่ก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นคําสอนพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ เ, เห็นด้วยเราก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อตอนที่แล้วนั่นแหละคิดว่าค่อนข้างชัดเจนอยู่ที่ว่าถ้าใครพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแม้ตัวตัวเราเองใะตัวธรรมาเองเนี่ยถ้าธรรมาพูดอะไรขึ้นมาสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งที่ว่ามันอาจจะ ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างเพราะว่าเราเร า, เราคือเราต้องยอมรับว่าตัวเราเป็นสาวกแ<ม>นะเรามีความสามารถไม่เท่าพระพุทธเจ้านะทีนี้อาตมายีนยาดได้เลยว่าเรามีความสามารถไม่เท่าพุทธเจ้าแนะเราพยายามจะกำหนดบนเป็ชนะที่เหมือนเป๊ะแม้แต่มันก็ได้เท่าเที่ยวที่เราทําได้นั้นโดยอัธยาเราพยายามทาที่จะให้ได้เหมือนใกล้เคียงไม่สุดมันก็เท่าที่เราพยายามทําได้นะงั้เราก็ใครที่ศึกษาเนี่ยก็คงจะต้องทําความเข้าใจด้วยว่า อ, อ๋อเราจะต้องไปเทียบเคียงกับค 2, ําสอนพุทธเจ้าตลอด นะอันไหนที่เข้ากันได้ลงกันได้โดยพยัญชนะก็ฟังส่วนนั้นอันไหนที่เข้ากันได้ลงกันได้โดยอัถะก็ฟังตรงส่วนนั้นนะส่วนที่ยังมียังเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้อันนี้ก็ยกไว้ก่อนนะแล้วส่วนใครก็ปฏิวัติดีตรงไหนเราก็ยกย่องท่านในฐานะตรงนั้นเท่านั้นเองเพรานะฉะนั้นอันนี้ก็ยืนยันตามนีนะ้คิดว่าเข้าใจกันอย่างถูกต้องแ ล, ะละ้วนละ่ะทีนี้คอมเมนต์ถัดมาก็คือของคุณปณิธิอันนี้เป็นเรื่องที่ จะสอดคล้องกันเรื่องนี้ทีเดียวนวว่าการกําหนดบทเพียนชนะหรือว่าการโดยอัธาศัเนี่ยมันจะสอดคล้องเรื่องนี้ในคุณหมอรัชพงษ์ลองพูดถึงตัวคุณปณิธิท์อ่ากับคือญาติของคุณปณิธิท์เนี่ยได้ประสบกับความทุกข์มากๆแต่ว่าคุณปณิธิท์ก็ได้ปลอบประโลมโดยบอกว่าก็ยังยังมีบ้านอยู่ยังมีข้าวทานแล้วก็ยังมีอีกหลายดีกว่าอีกหลายๆคนนะครับสีหน้าท่าทางดีขึ้นนะครับคุณปณิธิท์ก็ ไม่ถึงกับว่าจะให้มาภาวนาหรือว่าดูลมหายใจหรือว่าปล่อยวางเนื่องจากว่าท่านไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้เลยก็เลยว่าจะขอคำแนะนำว่าจะให้แนะนำหรือว่าให้ท่านปฏิบัติอย่างไรนะครับทีนี้มันจีรคประเด็นตรงที่ว่าอันที่หนึ่งก่อนที่อาตมาพูดไปเมื่อตอนก่อนๆใช่ไหมที่พูดถึงว่าเจมส์บอ์ถูกยาพิษเราจะทาไงถึงให้ใครพิษตรงนี้ได้ก็ได้พูดถึงตรงจุดที่ว่า อาจจะทําไม่ได้หรอกนะคือคนที่ไม่เคยฝึกมาอะไรแบบพอเจอมรสุมชีวิตตุ้มเข้าไปแล้วเนี่ยจะให้มาเห็นลมหายใจเนะี่ยโอ้ยทำไม่ได้หรอกเราพูดอย่างนี้นะซึ่งจริงบทเพียนชนะตรงนี้เราเราพูดไม่ถูกคือถ้าอาจมาพูดอย่างนี้นะนะว่าทำไม่ได้หรอกอันนี้เราจะพูดค้านกับพุิชาทันทีนะ อ, อันนี้ต้องต้องขอโทษท่านผู้ฟังด้วยเพราะว่าเร า, รเราทําได้แค่นี้นะถ้าถ้าตัวเราเราทําได้แค่นี้แนะเพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนคุณฟังแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมก็ก็ยกไว้ก่อนนะอย่างในกรณีนี้อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังสับสนว่าเอ๊ะ นะเพราะว่าคำสอนพุทธเจาเป็นอาการริโก้นะใช่ไหมแล้วทีนี้ที่เป็นอาการลิโก่ทำไมทำไมถึงทําไม่ได้แล้วทําไมถึงพูดถึงว่าใช้เทคนิคที่ว่าให้เขาคิดถึง เ, เรื่องราวต่างๆปัจจัย4ีที่คุณเคยมีมานะที่ว่าตอนนี้ก็ยังมีข้าวกินมีบ้านอยู่ใช่ไหมซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าจริงๆนะเป็นเรื่องของอินเทอร์เวนชันเทคนิคที่เขาใช้ในเรื่องของออนักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะใช้ออในการที่จะทําให้อ่า คนป่วยคนป่วยดีขึ้นแต่แล้วอย่างน้อยก็ก็ยังอยู่ในให้ให้ความคิดเขาเนี่ยอยู่ในแดนบวกทีนี้จะต้องอธิบายไปทีละประเด็นเพราะว่าบทเพียนแตะตรงเนี้อาจจะไม่ตรงกับของผู้เชาเป๊ะซึ่งอันนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณนะหมายความว่าอันไหนที่ตรงเราก็จะบอกว่าตรงอันไหนที่ไม่ตรงเราจะบอกไม่ตรงนะทีนี้พอฟังฟังไปบางทีมันรวมรวมกันปนๆนกันเนี่ยอาจจะทําให้เข้าใจผิดไปบ้างเพราะว่าตัวเราไม่สามารถ สอนเหมือนผู้เชี่ยได้เป๊ะทีนี้ผู้เชาจะสอนยังไงนั่นคือถ้าถ้าเราบอกว่าผ like, ู้เชาเนี่ยคําสอนผู้เชาเป็นอากาลิโกดังนั้นทุกคนต้องเห็นลมหายใจได้สิถูกไหมลมหายใจทุกคนต้องเห็นได้สิแต่ทํำไมบางคนเห็นบางคนไม่เห็นแล้วทําไมเราบอกว่าเอ้ยทําไม่ได้หรอกอันนี้เราเราเจอกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วอย่างคนที่มาหลีกเล่นปฏิบัติไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นลมหายใจได้หมดครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุที่เขาสร้างไม่ถูกแต่ถ้าคุณสร้างเหตุถูกคุณต้องได้ผลแน่นอนอันนี้คืออากาลิโกเข้า Oh, คำว่าอาการลิโกเนี่ยคือได้ผลถูกต้องตรงจริงตลอดการถ้าคุณสร้างเหตุอย่างนี้ยังไงมันก็ต้องได้ครับหรือว่าออพูดถึงคุณธรรมเรื่องกตันยูอย่างเงี้ยเขาบอกว่าดีันะไม่ว่าสมัยไหนมันก็ดีตลอดการแต่ถ้าเราบอกว่าไอ้กตันยูมันไม่ดีเวลานี้คุณใช้กตัญยูไม่ได้หรอกโอ้โหอันนี้เราพูดไม่ได้เลยซึ่งเราไม่เคยพูดอย่างนั้นด้วยซ้ําคำน ะ, ะเพราะฉะนั้นคําสอนงพระเจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกแน่นอนแต่ที่บอกว่าทําไม่ได้ นะอันนี้ต้องให้ท่านผู้ฟังเข้าใจนิดนึงว่าอันนี้บทเพีลงชนะเราไม่ถูกนะซึ่งถ้า<ม>ที่เราจะพูดถูกจริงๆก็คือว่าเขาอาจจะไม่สามารถสร้างเหตุของการที่จะเห็นลมหายใจได้<ม>ถ้าเราพูดอย่างเงี้บทเพีลงชนะเราจะถูกนะว่าถ้าสมมติคนที่ถูกความโศกทิมแล้วเนี่ยคือเวลาถูกตันหามันทิมเนี่ยนะถูกลูกศรแทงเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยว่าเราถูกลูกศรแทงแล้วเข้าใจไห ม, มจนกระทั่งพิษมันซึมซาบเข้าไปในกระแสเลือดเข้าสู่หัวใจแล้วโอ้โหมันเจ็บเหลือเกิน เพิ่งจะรู้ไอตอนถูกแทงนี่เราไม่รู้ไอตอนที่เรามีความอยากมีตัณหาเนี่ยเราถูกแทงแล้วด้วยดอกดอกหนึ่งเราไม่รู้เลยนะจนพิษของมันเนี่ยออกแล้วเนี่ยเราถึงเพิ่งจะทราบว่าโอ้เราไปพลาดตรงนี้อืมทีนี้ถามว่าพอพิษออกแล้วเนี่ยคุณบอกว่าเอาคุณจะมาแก้ไขอะไรต่างๆโดยที่จะให้มาเห็นลมหายใจเนี่ยนะคือเหตุของการสร้างเหตุให้เห็นลมหายใจเนี่ยคุณไม่ได้นะ เพราะว่าเราตอนนั้นเราไม่ได้ยินดีในการที่จะอยู่ใซนนาเนะอันสังหารเราไม่ได้ยินดีในการที่จะเ อ, อมีอาหารมีท้องอันพร่องอยู่เสมอไม่ได้ยินดีในการที่จะเลี้ยงง่ายอยู่สันโดษในบริการแห่งชีวิตไม่ได้ยินดีในการฟังธรรมไม่ได้ยินดีในการที่จะมีคาถาที่เป็นเครื่องขุดเก่ากิเลศถ้าเผื่อเราไม่ได้ยินดีอย่างนั้นคุณไม่มีทางเห็นลหมหายใจเราพูดอย่างนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นเหตุในการสร้างให้เห็นลมหายใจถ้าเราไม่ได้ทําเราจะไม่มีทางเห็น นนพูดบทเพียรชนะนี้ถึงจะถูกต้องอแต่ทีนี้ประการที่สอทีอ่บอกว่าปีติที่บอกว่าให้เห็นให้พูดถึงปจัจจัยสที่คุณเคยมนะีหรือมีอยู่ตอนนี้ที่ยังดีกว่าคนอื่นแต่ตรงเนี้ยอาจามาฟังพิชารดูดีๆนะเราก็มีความกระจ่างโอโ้ถ้าเือว่าบางคนอาจจะเข้าใจไปว่าให้ไปหาความสุขทางการซึ่ ง, ซ, งซึ่งบทเพียชนะเราก็ไม่ถูกอีกอะ่ะ อันนี้ต้องขอโทษท่านผู้ฟังด้วยจริงๆเลยนะนะว่าถ้าบทเพลงชนนั้นเราไม่ถูกแล้วทําให้มีความเข้าใจกลายเป็นว่าคลาดเคลือ่อนเออทำไมาอาจารย์ไม่บูญให้ไปหาความสุขทางการหรออืมอ่ซึ่งซึ่ ง, งจริงๆแล้วอันนี้พระรูชาเตือนไปเลยว่าความสุขทางการนี่ไม่ใช่ละเป็นสิ่งที่คว ร, ครละแต่ว่วาอาตมาจะพูดตรงสวนกับพระรูชาลแล้วนะซึ่งอันนี้ท<ม>่านผู้ฟังต้องฟังให้ดีแล้วก็ปาดส่วนที่ไม่ใช่ออกไปนะปาดส่วนที่คิดว่าตัวเองตีความแล้วไม่ใช่เนี่ยปาดออกไปเลยเพราะว่าถ้าจะให้อาตมาเองเนี่ยไปตามแก้ที่เราพูด อาจจะไม่ถูกบ้างเนี่ยนะมันก็เท่าที่เราจะทําได้อะนะครับรคือคือตัวเราอใช่เท่าที่เราพอจะทําได้ท <c oughs> ีนี้ว่าเราจะไม่ได้ตามไปคุยกับท่านผู้ฟังทุกวนันตลอดเวลานะทีนี้เราต้องใช้วิจารณญาณของเราตัวเราเองแล้วว่าเวลาเราฟังเนี่ยเอ๊ะทาไมท่านอาจารย์พูดภัยบุญพูดอย่างนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกามหรือเปล่านะทีนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้มาพุทธเจ้าเคยพูดถึงปีติสุขที่เกี่ยวเนื่องด้วยอามิด ปีติสุขที่เป็นอมิตรก็มีปีติสุขที่ไม่ใช่ออมิตรก็มีในปีติสุขที่ไม่ใช่ออมิตรยิ่งกว่าไม่ใช่ออมิตรก็มีเหมือที่เราเคยพูดไปนในราการแล้วแต่ทีนี้ถามว่าปีติสุขที่เป็นอมิตรเนี่ยคืออาศัยจากตาหูจมูกลิ้นกายนะ เ, เกี่ยวข้องด้วยเย่าเรือนก็มีนะทำให้เกิดปีติสุขทีนี้แล้วมันต่างกับกาบยังไงกาบเนี่ยคือความลุ่มหลงพัวพันมัวเมาคือเราอาจจะมีความอย่างลงในความสุขที่เกิดจากปีติสุขก็ได้อันนี้ก็ต้องคอยระวัง แตทีนี้ปีติสุขเนี่ยจะไม่เหมือนกับการตรงที่ว่าอการเนี่ยคือความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมายินดีในความสุขนั้นหร้นในความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถามว่าวิธีการตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าเคยใช้ไหมเคยใช้อยู่กับพระนันทะนนพระนันทะตอนนั้นท่านทุกฝังคงจะเคยได้ยินเรื่องพระนันทบที่ว่าตอนนั้นจะแต่งงานแล้วหรือแต่งงานไปแล้วก็นี่แหละพระพุทธเจ้าก็เลยออกบายให้ถือบาตรมมาถือบาตรตามาเสร็จแล้วเอาให้บวชซะ ด้วยความเกรงใจพระเจ้าก็จึงบวชแต่บวชเสร็จแล้วมีความคลั้นอยากจะศึกเพราะว่าจะไปหาภรรยาใช่ไหมครับพระเจ้าก็เลยพาไปดูนางอับสรในชั้นดาวดึงครับโอ้โหสวยมากๆากนะจนกระทั่งให้ภรรยาเดิมเนี่ยอย่างกับนางลิงอเพราะฉนั้นถามว่าตรงนี้ทําไมพระเจ้าใช้สิ่งคือทางตามาล่อพระนันทะให้อยู่ในการประพฤติพรหมชนใช่ไหมถามว่า <c oughs> เอาก็นี่ไงคือปีติสุขที่เกิดจากภายนอกไงครับทําให้หจิตใจเขามีความมั่นใจมีความเขาเรียกว่าตั้งมนนั่นในการที่จะปฏิบัติ ค, คือเพราะว่าถ้าพระนันธานเนี่ยมีความคลั่นในกรามใ น, นในการที่อยากจะสึกในที่จะไปหาปริยาเดิมครับก็จะไม่สามารถทําจิตให้ให้เป็นปกติได้ไม่สามารถทําจิตให้ตั้งมั่นได้แต่เพราะอาศัยนางอับสอนบนชั้นดาวดึงแต่ทําให้ตัวเองคลายความตรงนี้ไปได้คลายความ กําหนัดยินดีในภ ร, รยาเดิมได้ครับนะั้นโดยใช้ปีติสุขที่เกิดจากตาที่ตัวเองเห็นครนะโดยความเปรียบเทียบระหว่างนาะงอภรรกับภรยาเก่าววคนนี้นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันจะ่ถามว่าทํำไมพระเจ้าใช้ได้ดังนั้นพระเจ้าบอกว่าไ อ, อ้ความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสุขโสมนัสใดอันเกิดจากการ ม, มาสุขเราบอกว่าสุขโสมนัสนั้นไม่ควรเสพไม่ควรทํำให้มากไม่ควรทําให้เจริญควรกลัว อืมแต่ทำไมพู้เจ้าใช้ได้อืมทีนี้ถ้าเป็นกรณียกเว้นบังครับก็คือคืออย่างสมมุติผู้ริจ้าเนี่ยเป็นธรรมราชานะใช่ครับผู้เจ้าเป็นคนออกกฎและเป็นคนใช้กฎและเพราะฉะนั้นอย่างสมมติรัฐบาลนี้เขาบอกคุณออกกฎหมายห้ามฆ่าเออทำไมรัฐบาลลงโทษผ่านชีวิตได้เหมนไหมหรืออย่างพระราชาสั่งว่าเอออันนี้เคยมีตัวอย่างแล้วพระราชาพระเจ้าประเสด็ฐที่โกศธนสั่งว่าสวนมะม่วงนี้เราปลูกไว้ห้ามใครมากิน ว่ทำไมพวกองค์กรได้เพราะนั้นพระพุเจ้าก็เป็นคนออกกฎนะพระเจ้าก็สามารถทําได้ครับนีอันนี้เป็นตัวอย่างที่พูดถึงว่าเอา๊ะสั่งให้ทุกคนห้ามแสดงฤทธิ์เอาแล้วไปตัวเองทําอืมอ่มอก็เหมือนกันนะ่ะเป็นรัฐบาลนี่เป็นรัฐบาลคุณจาอะไรก็ได้ครับคงเป็นเพื่อเพื่อประโยชน์กับอ่าประชาชน <c oughs> หรือว่าเพื่อประโยชน์ในใ น, ในเบื้องปลายครับเพราะฉะนั้นในในกรณีอย่างเงี้ยก็จะพูดถึงทางทางที่เกี่ยวกับบ้านเมืองอะนะ เกี่ยวกับด้านเทคนิคของด้านจิตวิยาในที่พูดถึงประจัยศีให้ระลึกถึงสิ่งอื่นเนี่ยเป็นอินเตอร์เวนชั่นเทคนิคอยู่แล้วที่เขาที่เขาทํากันมาคือเขาเรียกว่าเบรกแพทเทิร์นแพทเทิร์นของความคิดของคนที่เศร้าโศกเนี่ยจะไปสู่ทางต่ําเสมออจะไปสู่จะไปสู่ไอ้เรื่องเดิมๆเรื่องเดิมๆนี่คือจะเป็นแพทเทิร์นของเขาเลยครับเราต้องเบรกเวียนต้องเบรกแพทเทิร์นนี้ต้องเบรกแพทเทิร์นนี้ให้ได้นะโดยใช้อินเตอร์เวนชั่นเทคนิคทุกอย่างโดยการที่ให้เขาระลึกถึง สิ่งที่เขามีอยู่ปัจจุบันที่อยู่ทุกๆวันนี้แหละให้มีปีติสุขเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เลยไปถึงกามมันไม่ใช่เลยไปถึงกามแต่ทำยังไงเพื่อที่จะจุดประสงค์คือให้เขาระวางไอ้ความโศกที่อยู่ในปัจจุบันนี้ให้ได้ Break พทเทิร์นี้ให้ได้แต่เพราะฉะนั้นถ้ า, ถ, าถ้าจะเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่อะไมาบอกว่าให้เราตื่นถึงปัจจัยสีที่เรามีอยู่ตอนนี้นะอาจจะทําให้เลยเถิดไปถึงกามก็ต้อง c l a ริฟาตรงนี้ว่ามันไม่ใช่บทพยัชนะเราอาจจะไม่ถูกอยู่แตนะก็ต้องคอยระวังตรงนี้ นะเราก็ไม่ให้เลยเถื่อไปถึงกรามให้จิตเนี่ยมีปีติสุขที่เกิดจากอามิตอยู่ใช่นันะแล้วอาศัยปีติสุขนั่นแหละในการที่จะเห็นนามที่เป็นจริงในการที่จะละวางให้ได้นะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลับไปแพทเทิร์นเดิมอีกนะก็อย่างในกรณีที่คุณปณิ ท, ทีเนี่ยแชร์ให้ฟังนะว่าพ อ, อารู้สึก ด, ดีขึ้นหน่อยหนึ่งสีหน้าหน้าตาดีขึ้นน่อยหนึ่งอีกสักหน่อยอก็กลับเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วนะซึ่งมันใช้ได้ไม่ตลอดไงนะทีนี้พระพุทธเจ้าเองก็อาศัยตรงนี้นิดหนึ่งด้วยนะอย แต่องาทั้งพระสัทนทัาเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันแล้วแล้วก็ก็ไม่ต้องสัญญาที่ให้ไปก็เดิมก็ยกเลิกไปครับแล้วอย่างนี้ควรจะทำยังไงกับญาติผู้ใหญ่ทีนี้ <c oughs> <c oughs> จะพูดถึงประเด็นตรงที่เกี่ยวกับเรื่องคำสอนพระประุญจนา น, นิ้นหนิดึงก่อนว่าครับพร ะ, ะนั้นท่านผู้ฟังอ่ะจะต้องเลือกฟังเอาที่ตรงกับของบุพุทเจ้า นะอ่ะตรงไหนตรงก็ฟังตรงนั้นบทเพลงชนะตรงไหนตรงก็ฟังตรงนั้นแล้วถ้าไม่เข้าใจนะนะก็มาถามได้ถามไนะด้คืออ <ใน S 1> <น>ันไหนไม่ตรงยกไว้ก่อนนะหรือเอามาถามได้ในนีเ้เราอาจจะไม่ได้อยู่ให้ตอบเดี๋ยวนั้นไม่ได้อยู่ให้ทําความเข้าใจเดี๋ยวนั้นนะซึ่งมันก็จะต้องเป็นหน้าที่ของสมณะนะนะที่ทําสิ่งที่ฟังให้แจมแจ้งเนี่ยแต่นี้แจมแจ้งได้ระดับไหนก็ถ้ามาสามารถถามตอบกันได้ก็ดีแต่ถ้าถามตอบกันไม่ได้เราจะต้อง คอยฟังจุดที่มันตรงกันแล้วกันจุดที่ไม่ตรงก็ปาดยกทิ้งไว้ก่อนนะอย่างในกรณีเนี้ยถ้า <c oughs> เราจะไปเข้าใจว่ า, อาไอ้คําที่บอกว่าทําไม่ได้หรอกนะก็ต้องเข้าใจว่าอยู่ที่เหตุนะที่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจตรงนั้นคุณก็ปาดทิ้งไปเลยนะคำนี้คุณตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าไม่ใช่คําบุญญาอยู่แล้วเป็นคําของเราเองตัดทิ้งได้นะนะหรือถ้าจะไปเข้าใจว่าที่ให้นึกถึงปัจจัยสีที่เรามีอยู่แต่ทําให้เลยเถอดไปถึงเรื่องการนะคุณปาดทิ้งไปเลย นะคุณตัดทิ้งไปเลยถ้าถ้าเราไม่ได้อยู่ตอบนะถ้าอยู่ตอบคุณก็สามารถมาทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้อย่างนี้ว่ามันเป็นแค่ปีติสุขที่เกิดจากอามิตรนะยังไม่เลยเถิดไปถึงกามนะพระพุทธเจ้าเองก็เคยใช้กรณีนี้เหมือนกันอืมทีนี้ถามว่าใช้วิธีไหนดีที่คุณหมอได้รับคำถามเออใช่เลยครับใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าใช้ดีกว่าดีไห ม, มซึ่งอันเนี้ยก็เป็น ข้อจํากัดของตัวตมาเองนะที่บางทีเราพูดถึงเรื่องนั้นแล้วเนี่ยเราก็อธิบายเรื่องนั้นอธิบายไปคราวนั้นมันก็เกือบชั่วโมงนะทำให้เราคือตมาคิดอยู่ว่าจะพูดเรื่องนี้แต่ว่าเราก็ลืมไป ค, คือเรื่องที่พระเจ้าพูดกับพระเจ้าเประเศรษฐีโกศล น, นะตอนที่นางมาริกาเนี่ยที่บงคดคือเสียไปเพระนางมาริกาตายไปตอนนั้นแล้วเราก็พระเจ้าเปรเศรษฐีโกศลเนี่ยว่าราชการอยู่นะพอตอนที่มหาหมาด น, นี่นำข่าวเรื่อง การที่วงคตคือเสียชีวิตของพระดังมริกามาเนี่ยโอ้ยพระชาพระเศีิรนิคโคส น, นี่เสียใจมากกินไม่ได้<ม>นอนไม่หลับการงานไม่เป็นอันทาําร่างกายสูผ้ผอมเศร้าหมองหน้าตานี่ซี่เซียวอย่างนั้นเลยนะอ<ม>ก็คือเข้าข่ายของคนที่ถูกลูกศรแทงอย่างที่เราพูดถึงกันมเมื่อตอนที่บานบานมาใช่ไหมใช่ถามว่าพระผู้เช้าใช้วิธีแก้ปัญหา ย, ยังไงยัง<ม>ไงครับก็ไม่ได้ใช้อย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังนะรหรือไม่ได้ใช้อย่างกรณีของพระดันทัด้วยซ้ํา นะคือไม่ได้ใช้อินเตอร์เวนชั่เทคนิคอย่างนั้นแต่ว่าใช้ลักษณะว่าให้นึกถึงอย่างนี้ว่าสิ่ง5อย่างนีนะ้ที่ไม่ว่าเทวดาเทพมารพรหรือใครๆในโลกเนี่ยไม่อาจจะได้นะคือของที่ขอ<ม>ขอ ง, ของที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอขอ ง, ของที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าอย่าเสื่อมไปเลยขอของที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายไปเลยขอของที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยขอของที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลย ของ5อย่างนี้ไม่อาจจะขอได้ไม่ว่าเทวดาเทพมารพรมหรือใครๆในโลกก็ไม่อาจจะได้พระที่เราไปขออ้อนวอนว่าทําบุญขอให้เราพ้นภัยท่านก็ไม่ได้นะเทวดาที่เราไปบนบานสรรกล่าวว่าขอให้ภัยนี้หมดไปให้เงินที่หายคืนมาท่านก็ไม่ได้นะไอ้าอย่างนี้ไม่ว่าใครในโลกนะเทวดาไม่ได้เทพไม่ได้มารไม่ได้พรมก็ไม่ได้นะพรมนี่ใหญ่สุดแล้วนะไม่ได้นะหรือใครๆในโลกไม่อาจจะได้ เหรน้เฮ้ยเราโดนตรงนี้ใ <Jub> ช <ilee> <use. S 2> ่ไหมเฮ้ยคนอื่นเขาก็ต้องโดนเหมือนกันครูเจ้าคิดอย่างนี้เพราะเราไม่สามารถคนอื่นก็ไม่พ้นจากตรงนี้เราก็ไม่พ้นจากตรงนี้เหมือนกันนะเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรเศร้าโศกไม่ควรเสียใจครูเจ้าว่าอย่างนี้เพราะนั้นในกรณีของญาติผู้ใหญ่ของคุณปฏิที่เนี่ยถ้าเราใช้เทคนิคที่ครูเจ้าบอกพระเจ้าเป็นสัญญโศนก็คือในกรณีนี้ว่าโอ้เอาคุณคุณตายเป็นอย่างนี้เหรอคนอื่นเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน ใครๆเขาก็โดนยกตัวอย่างคนที่โดนมาหมดครับนะไม่ว่าใครก็ตามนะมีเงินรวยล้นฟ้าก็โดนหมดถ้าเราคิดอย่างนี้ได้นัคืออาศัยความทุกข์ให้เกิดศรัทธาอันนี้จะเป็นเทคนิคที่ดีแหละที่พระพุทจ้าใช้อาศัยความทุกข์ให้เกิดศรัทธาเห็นทุกข์เห็นธรรมใชิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับที่เราโดนนี่นะคือคือเราไม่ใช่ว่าเราจะไปยึดถือไอ้สิ่งที่เรามีอยู่นะแต่เนี่ยให้เห็นชัดเจนเลยว่าไอ้ที่เราโดนเนี่ย มันเป็นเรื่องธรรมดาใคร้ายๆโดนกันครับเมือ่อเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะเราก็ไม่พึงเศร้าโศกไม่พึงเสียใจควรตั้งหน้านะว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่ครับควรจะมีสติรักษาตัวว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่อืซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นเรื่องกรรมที่แม่อยากจะคุยกับหมอดศพงศ์จริงๆเลยอ๋อทีนี้ก่อนที่เราจะข้ามไปถึงว่าเอ๊ยทาไมเราถึงโดนสิ่งที่ มันเป็นความเศร้าโศกความเสียใจในความชีพหายของสองสิ่งต่างๆที่ไม่ว่าเทวดาเทพมารรมหรือใคร ๆ, ๆในโลกไม่อาจจะได้เนี่ยครับเอเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเ อ, อ๊แล้ ว, ล ว, ลวทําไมไอ้ความดีที่เราทํามันไม่ได้ผลหรออือหรือว่าไอ้สิ่งที่เราอ้อนวอนนี่มันจะได้ผลไหมอย่างเงี้ยนะไอ้ ค, ความเศร้าโศกความต้องการที่เราต้องการเนี่ยมันจะเป็นยังไงก่อนที่จะข้ามไปถึงประเด็นนั้นก็จะขอพูดตรงนี้สรุปตรงนี้ว่า อ, อตัวอย่างตรงเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่ว่า ทำยังไงเราถึงจะไม่ให้ร้อนใจในภายหลังครับ <Right. S 1> เราจะไม่ควรที่จะให้ร้อนใจในภายหลังคือเมื่อถึงเวลาที่ความโศกมาถึงเราแล้วถึงเวลาที่ของที่เรารักเนี่ยชิบหายไปแล้วเนี่ยทยํายังไงให้เราเป็นผู้ที่พาสุข hmm. อ, อยู่ได้ทํายังไงเมื่อความแก่มาถึงเราแล้วเนี่ยหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคชนิดที่ดูดแก้ไม่หายรักษาไม่ได้เนี่ยมาถึงเราแล้วเนี่ยทยํายังไงให้เราเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังให้เราเป็นผู้ที่พาสุขอยู่ได้ครับ นี่นะท่านผู้ฟังต้องทั้าฟังแล้วต้องคิดเลยนะว่าเราจะมีแต่หนักล้าหน้าไปเรื่อยๆสุขภาพของเราไม่มีทางดีขึ้นอะ่ะพูดง่ายๆใช่ครับมิแต่จะเสื่อมลงมีแต่จะเสื่อมลงต่อให้คุณเอายาอะไรมากินเอายา อ, อะไรมากินดีบัวมาจากเทือเขาอะไรก็ไม่รู้รชื่อก็ไม่รู้จักเมื่อกีก้เข้าไปแล้วก็ยังตายอยู่ดีครับตายแตวต่อให้คุณไปหาหมอเมืองจีนเก่งมากๆเลยคุณเป็นโรคหลังเป็นโรคกระเพาะโรคอะไรสักอย่างหนึง่งมันก็หายชั่วยะเวลาเท่านั้นเอง ใช่ครับนะยังไงก็ตายอยู่ดียังไงก็หนักไปอยู่ดียังไงก็แย่ลงอยู่ดียังไงก็เสื่อมไปอยู่ดียังไงก็ชิปหายไปอยู่ดีฟันตรงได้ไม่มีใครได้นะไอหมอที่รักษาเรามันก็ไม่ได้นะไอต้นไม้ที่เราไปเอามามันก็ตายนะครับเออเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงแล้วเนี่ยจะทํายังไงให้เราเป็นผู้ที่ปาาสุขอยู่ได้จะทํายังไงให้เราเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังผู้ชายใช่คำนี้จะทําอย่างไรเมื่อเวลาที่คนเขาพูดแล้วไม่เข้าหูเราอ่ะ ครับไม่ร้อนใจในภายหลังจะทํายังไงเมื่อเวลาที่มีคนพูดขึ้นมาแล้วบุตรพเชณะไม่ตรงมีอัถะไม่มีอัถะสับสนกันทําไงให้เราไม่ร้อนใจอยู่นะทําไงให้เราเลือกที่ถูกที่ฟังได้อืมอย่าเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังนะอืมออย่าเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังครับอนี่ก็ต้องอาศัยการศึกษาปฏิบัติทีนี้มันมันเป็นอย่างนี้อาจามาพอได้ฟังไอที่เราพูดไปเมื่อก่อนนะ่ะเมื่อนตอ น, ตอนที่ตอนที่ผ่านมานะครับเอ ทำให้เรารลึกถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งบอกเล่าพงสมัยเด็กๆครับเป็นไงครับท่านอันมาจําได้เลยมีครั้งหนึ่งประมาณหกเจ็ดขวบนี่แหละยังยังไม่เข้าโรงเรียนดีนะอันมาจําได้ไม่รู้ทําไมจาได้ก็ไม่รู้เราเราจำได้เราอยู่ที่บ้านเนี่ยเรานอนเด็กนะมันก็นอนกลางวันใช่ไหมครับเราตื่นมาประมาณไม่รู้กี่โมงละ่ะเย็นเย็ น, ยนบ่ายบาย่านี่แหละตื่นมาเราไม่เห็นใครเลยนะแล้วเราก็วิทยาแล้วทำไมฉันอยู่คนเดียวอย่างนี้เราร้องไห้เลยเป็นเด็กนะตื่นมาก็ร้องไห้นะครับ ร้องจ้าเลยเออร้องจักเลยว่าเอาทําไมเราอยู่คนเดียวพอเราโตขึ้นมาอีกหน่อยเราก็มานึกว่าคือโตขึ้นมาอีกหน่อยตื่นมามันก็ไม่ร้องไห้แล้วนะใช่ครับเออเ อ, อตื่นมาไม่ร้องไห้แล้วเอ้ยเราก็มานึกว่าเราก็มานึกย้อนหลังว่าเอ๊ะตอนทาไมเด็กๆ เ, เราตื่นมาร้องไห้อ่ะแต่ทีดด่โตมาเราตื่นมาแล้วทําไมเราถึงไม่ร้องไห้มันคิดมาคิดไปคือตั้งแต่สมัยเด็กนะคิดตั้งแต่ตอนนู้นนะคิดมาคิดไปว่าเอ้าก็มันก็ไม่มีอะไรนะ คือว่าเด็กตื่นมาไม่เห็นใครนะจึงร้องไห้ด้วยความที่อยู่คนเดียวด้วยความที่อยู่คนเดียวไม่เห็นคนอื่นจึงจึงร้องไหนะ้แต่ว่าพอโตมาแล้วนะมีความที่พออยู่คนเดียวพอจะอยู่ตัวคนเดียวได้นะจึงไม่ร้องไห้อย่างบางคนทุกวันนี้ทุกวันนี้นะหมอมรัตคงศ์ผู้ใหญ่บางคนอ่อพอนาฬิกากรี๊งตุกปลุกตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยังงงๆอยู่ว่าไอ้วันนี้มันมันอะไรฉันต้องไปทาอะไร นี่มันกี่โมงแล้วแล้วจะต้องทํายังไงต่อไปแล้วบางทียังงงๆอยู่ตอนแรกอ่ะใช่ครับเป็นอย่างนั้นไหมเป็นครับบางคนหรือว่าบางวันเราก็เป็นนะเหมือนสติมันยังยังไม่มายังไม่ไม่พร้อมยังไม่พร้อมอ่ะนะนี่ตรงนี้แหละที่เราต้องคอยระวังทำไมถึงพูดประเด็นนี้นะเพราะว่าเวลาที่เราถูกถูกมึนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมึนใช่ครับถ้ามึนแล้วเราไม่มีอ ความไม่มีสติที่จะรวบรวมตัวเองอยู่ได้เราก็จะเหมือนเด็กที่ตื่นมาแล้วก็ร้องไห้ทออีนี้ถ้าเราตื่นมาแล้วเราไม่ร้องไห้นะเราคอยรวบรวมสติตัวเองว่าตี น, นี้เราจะต้องทำอะไรต่อไปจะเป็นยังไงต่อแล้วนี่เราจะไปได้คือมันคนที่โดนโดนหนักๆเ น, นี่ยนะมันจะมึนไปเลยวันนี้ฉันจะทำอะไรจะทำไงต่อไปเหมือนเราตื่นนอนใหม่ๆไม่คือถ้านอนกลางวันเนี่ยยิ่งยิ่งหนักเลย<อ>คุณนอนกลางวันนานมาอย่างนี้ใช่ไหม ตื่มาโดยที่นาฬิกายังไม่ได้ปลูกอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีนาฬิกาด้วยเนี่ยก็จะตื่นมาเฮ้ยมันกี่โมงอห้ฉันต้องทําอะไรต่อไปวันนี้มันที่เท่าไหร่แล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วนี่มันที่ไหนโอโ้โหมันมึนไปเลยอะ่ะอืมนี่พูดถึงคนที่คนที่โดนหนักๆแล้วก็มึนไปเลยครับแล้วถ้าเป็นเด็กนะก็จะร้องไห้ไปเลยอืมเด็กตื่นมาเนี่ยมึนๆไปเลยครับอ จริงๆครับไม่ไม่ไม่รู้เข้าใจป่ะหมอท้านงเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจครับเพราะว่าอย่างลูกก็ยังเป็นนะแต่ว่าตอนนี้เขาเขาก็ดีขึ้นละก่อนหน้านี้ถ้ตื่นมาไม่เจอใครก็ร้องไห้ไม่ก็ว่าเอออยู่คนเดียวร้องไห้ดีกว่าตัวแล้วก็ไม่รู้เวลาไม่รู้ต้องทําอะไรต่อไปคนนั้นจะเป็นยังไงคนนี้จะเป็นยังไงก็ร้องไห้เลยพูดง่ายๆเอาคนที่ร้องไห้อยู่ทุกวันทุกวันเนี้ยที่ว่าโดนเรื่องหนักๆแล้วก็ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่รู้จะทํำยังไง เหมือนเด็กที่ตื่นนอนมาไม่รู้ว่าจะทำอะไรครับคือวิญญาณอันแรนไปตามความระึกของมาเด็ยได้นึกถึงเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะจึงเรามาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังใช่ครับเทียบเคียงกันได้เลยครับทีนี้จะพูดถึงเรื่องกรรมนิดหนึ่งเป็นการที่ให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นบ้างเฮ้ยทำไมทาไมเวลาที่เราโดนอะไรหนักๆในชีวิตเนี่ยนะซึ่งยืนยันได้ว่ามันก็จะมีแต่หนักล้ำหน้าไปเรื่อย Mm hmm. ทีนี้ถามว่าทําไมาบางทีไอสิ่งที่เราทําไว้เนี่ยมันไม่ได้ผลหรอหรือ mm hmm. ทําไม <In each S 2> ชีวิตฉ <way. S 2> ันเนี่ย <Yeah. S 2> ฉันก็เป็นคนที่อยู่ในธรรมะนะมีพระบุญธรรมประสงค์ทําทไมมันมีแต่หนักไปเรื่อยทำไมไม่ดีขึ้นเลยเหรออะไรเย่างนี้นะ mm hmm. คื อ, ค, อคืออย่างน้อยอย่างเงี้ยความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายมันน่าจะดีขึ้นบ้างน่าจะรวยขึ้นบ้างน่าจะมีความสุขขึ้นบ้างแต่สุขภาพแย่ลงนี่พอเข้าใจอยู่ครับ <Yeah. S 2> แต่ว่าอย่างเช่นหน้าที่การงานมันน่าจะดีขึ้น ลูกหลานน่าจะดีขึ้นนะหรือว่าอะไรต่างน่าจะดีขึ้นอันนี้ทาไมถึงเป็นอย่างนั้นออนะืก็เลยจะต้องพูดถึงเหตุในเรื่องของเกี่ยวกวับความเศร้าโศกตรงนี้คือเรื่องของกรรมครับนะที่เราเคยพูดกันว่ากรรมเนี่ยอคือเจตนานะกรรมนี้กับการกระทานี้จะไม่ยังไม่เหมือนกันเป๊ะทีเดียวนะที่ได้พูดไปเมื่อตอนที่ผ่านมาเรื่องของกรรมเนี่ยมันจะต้องพูดถึงเอหลายๆอย่างอย่างแรกก็คือเรื่องมันเกิดมาจากอะไรนะคือเรื่องของปัจจัย นะแล้วผลของมันให้อย่างไรนะที่เรารู้จากกันใช่ไหมว่าให้ในเวลาเดี๋ยวนั้นก็มีเวลาถัดมาก็มีเวลาถัดมาถัดมาีกก็มีใช่ไหมล<ะ>แล้ว<ช>ลักษณะการให้ผลของมันเนี่ยเป็นยังไงนะที่เป็นสุข ก, ก็มีที่เป็นทุกข์ก็มีที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ก, ก็มีใช่ไหมที่นําไปเพื่อสวรรค์ก็มีที่นําไปเพื่อนรกกับเดชานก็มีที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มีนะครับทีนี้แล้วถามว่ากรรมนี่แบ่งเป็นยังไงได้บ้างก็แบ่งโดยลักษณะที่ว่ากรรมขาวกรรมดากรรมไม่ดาไม่ขาวก็มี ทีนี้พอปนๆกันหมดแล้วเนี่ยผู้เชา่าพูดยังไงเกันหรือเรื่องกรรมที่เราจะต้องเข้าใจว่าผู้เชา่าบอกอย่างนี้บอกเคยบอกกับพวกเดรัจฉ์ต่างๆนะีที่บอกว่าเอ๊ะที่ท่านทำไอ้ทุกกรรักกิริยาเนี่ยอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็ดร้อนเนี่ยทําไปแล้วเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าไอ้ที่ที่ทําให้สิ้นกรรมเนี่ยมันสิ้นไปเท่าไหร่อโอ้เขาก็บอกไม่รู้เลยครับแล้วถามว่าเอาแล้วที่ทําไปเนี่ย เมื่อก่อนทําจริงๆรหรือเปล่าหรือไม่ได้ทำํำก็ไม่รู้เลยแ ล, <ม>แล้วถามว่าไอ้ที่ทําไปทําไปเนี่ยไอ้ขอทําไปเนี่ยเพื่อที่จะให้ผลกรรมที่ไม่ให้ผลเนี่ยมาให้ผลได้ไหมก็คงคงจะไม่ได้ไม่รู้เลยรลหรือว่าไอ้ที่ให้ผลในอนาคตเนี่ยจะให้ผลในปัจจุบันเนี่ยทำอย่างนี้ได้หรอก็เอ้ก็คงจะไม่ได้ และที่จะให้ผลในปัจจุบันจะไม่ให้ผลในอนาคตหรือว่าที่ให้ผลมากให้กลายเป็นให้ผลน้อยขอกรรมที่ต้องให้ผลน้อยกลายเป็นให้ผลมากขอกรรมที่ต้องไม่ให้ผลเป็นให้ผลขอกรรมที่จะไม่ให้ผลเนี่ยเป็นเป็นมาอ่าให้ผลเนี่ยมาเป็นไม่ให้ผลอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมดเลยนะอืมเลยพูดอย่างเงี้หมายเขาว่าไงอืมคือหมายความว่าถ้าตอนเนี้ยชีวิตของเราเนี่ยบาปกรรมที่เราเคยทําอยู่มันให้ผลอยู่เนี่ยมันให้ผลอยู่เนี่นะแล้วคุณจะไปทําให้บอกอย่าให้ผลเลย มันไม่ได้นะอ๋อครับเข้าใจไหมหมอละทงเข้าใจครับด้วยไม่ว่าวด้วยวิธีการใดๆก็ตามที่บาปกรรมที่เราเคยทําไปแล้วเนี่ยมันให้ผลอยู่เนี่ย Though, จะมาเป็นไม่ให้ผลเนี่ยมันไม่ได้เลยหร <ห goodbye S 1> <Cont> ือว่ากรรมเยเอาเอาพูดธรรมดาเดี๋ยวก็กรรมที่ให้ผลอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยจะให้มาเป็นไม่ให้ผลเนี่ยด้วยการกระทําใด ๆ, ๆเนี่ยมันไม่ได้มันมันก็ตามวาระศของเขาอะจริงตามวาระของเขาสมมติกรรมในขณะนี้ให้ผลเป็นสุขในปัจจุบันนะไม่ว่าเราจะทำไงมันก็ยังให้ผลเป็นสุขอยู่อะ อืมใช่ไหมที ừ, นี้มันอยู่ที่ว่าจังหวะกรรมวาระต่างๆเนี่ยมันเราไม่สามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะแต่ทําให้มันสิ้นได้เอาถ้าพูด ง, งี้จะเริ่มขัดกับผู้เช่าอย่างไรบ้างนี้ท่านผู้ฟังต้องฟังให้ดีนะกำหนดบริเพียนชนะให้ดีนะโดยอัธยาศั้องฟังให้ดีนะหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาที่กรรมให้ผลเนี่ยมันก็คือเป็นของให้ผลนะ่ะแต่ทีนี้ถามว่าให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยจะขอให้ผลเป็นสุขเนี่ยไม่ได้ครับเข้าใจไหมทีนี้พอให้ผลเป็นสุขแล้วเนี่ย ถ้าคนนั้นทําบาปไปอยู่ในขณะที่กรรมให้ผลเป็นสุขเนี่ยเราเราจะไปคิดว่าโอ้ทําชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้คุณก็คิดไม่ได้นะเพราะว่าจังหวะกรรมตรงนั้นให้ผลเป็นสุขอยู่แต่เพราะว่าบุคคลนั้นมีความประมาทนั้นะตราบใดที่กรรมชั่วที่ยังไม่ให้ผลเนี่ยบุคคลก็พูดอะไรก็ได้นี่เป็นพุทธภานะพุทธเพูดอยู่แต่แต่เมื่อกรรมให้ผลแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเองดังนะนั้นอย่างโสซรบัณเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องกรรมนะรว่า กรรมที่ชั่วเนี่ยก็คือชั่วกรรมดีก็คือดีแต่ทีนี้อย่างเป็นคนเป็นโสดาบันเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจว่าเออถ้าวาระกรรมที่ให้ผลเป็นทุกข์อยู่เนี่ยจะขอให้มันให้ผลเป็นสุขเนี่คงจะไม่ได้แต่เขาเชื่อเรื่องกรรมตรงนี้นะเขาก็ทําดีต่อไปออสมมุติเขาทําทําความดีอยู่นะเอ่อตอนนี้วารกรรมให้ผลเป็นสุขอยู่นะเขาเชื่อเรื่องกรรมเขาก็ทําดีต่อไปคราบใช่ไหมคือคนที่ได้รับความทุกข์แล้วเนี่ย ถ้าเผื่อว่าไปเชื่อว่าไอ้กรรมเก่าของฉันเนี่ยมาผลเป็นผลจากอดีตอย่างเดียวหรือว่าไม่ได้มีใครทําอยู่มันก็เกิดขึ้นเองนะหรือว่าเป็นเพราะฉันทําของฉันเองแล้วไม่ได้ละเว้นสิ่งที่ควรละเว้นไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทำนะโดยเรื่องที่เป็นควรละเว้นโดยเรื่องที่เป็นควรทําแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่เก <มา S 1> <ม>ิดขึ้นไม่ได้นั่นคือหมายว่าถ้าเราได้รับผลเป็นทุกข์อยู่ในขณะปัจจุบันนะได้รัผลเป็นทุกข์อยู่ในขณะปัจจุบันแล้วคุณไม่รู้ ว, ว่าสิ่งที่ควรละเว้นเช่นการฆ่าสัตว์รักษาผู้ผิดในการม นะคืออากุศลธรรมสิบเนี่ยควรจะละเว้นแล้วคุณไม่ละเว้นอย่างจริงๆอยจังๆน ะ, ค, ะคุณจะพลาดเลยคุณจะพลาดเลยใ<ช>่แล้ว ค, คุณรู้ว่าอากุศลธรรมกุศลกรรมบทสิบเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําแล้วคุณไม่ตั้งใจจะทําให้มันจริงๆจังๆนะคุณจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคือชีวิตของเราจะจะจะไหลวนเวียนแล้วก็ไม่มีทางออกอยู่นะเป็นเหมือนกับหญ้ า, าปปชะนะที่มีอิลุงตุงนังอยู่ตรงนั้นนะแต่ถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมนะไม่ว่า การนี้จะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็ละเว้นสิ่งที่ควรละเว้นคืออกุศลกรมรมบุทั้งสิบนะควรทําสิ่งที่ควรทําก็คือกุศลกรมรมบุทั้งสิบครับเนื้โซดาบันจะเชื่อยอย่างนี้ไม่ว่าอะไรจะมากระเทือนนะเราก็จะทําดีอยู่ต่อไปเราก็จะเละละความช่วอยู่ต่อไปนี่มีมคือเรื่องที่สําคัญนะคือถ้าคนที่เขาจะไม่ละเว้นความช่วยอย่างจริงๆจัง ๆ, ๆไม่ตั้งใจความทำความดีอย่างจริงจัง ๆ, ๆเนี่ยเพราะคุณเชื่อเรื่องกรรมผิด โอ้โหแปลว่าถ้าบอกว่าเรายังไปอ้อนวอนว่าขอกรรมอขอให้ทานที่ฉันให้ตรงนี้นํามาให้ผลชั้นเร็วๆอันนี้คุณขอไม่ได้อืมคุณขอไม่ได้ไม่เป็นไปตามกรรมคุณยังเชื่อเรื่องกรรมไม่ถูกต้องอะให้ทานอยู่ไหมให้ทานอยู่ดีนะดีดีดีแต่ว่ายังเชื่อไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงที่ว่าขออสิ่งที่มันอาจจะให้ผลในอนาคตว่ามาให้ผลปัจจุบันคุณไม่มีทางขอได้ออืม่าแต่ถ้าทำแบบนี้อาจจะทําให้คนไปเข้าใจว่างั้นฉันก็ไม่ต้องทําอะไรก็แล้วกัน เพราะมันก็เป็นไปตามระบบของมันเองครับอันนี้คุณก็ยังเข้าใจไม่ถูกนะเข้าใจไม่ถูกอีกเพราะว่าเพราะว่าเรา่เราต้องสร้างเหตุที่ถูกต้องแค่นั้นเองครับอืออตรงนี้แล้วถามว่าเอแล้วถ้ากรรมมันให้ผลเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะแก้ยังไงครับแก้ไงครับเอ่อไม่ไม่ใช่ว่าแก่นะเราจะทํายังไงให้ทำตัวอย่างไรอ่าให้ทําตัวอย่างไรก็คือละเว้นสิ่งที่ควรละเว้นนั่นคืออกุศลกรรมบุทั้งสิบเนี่ยอกุศลเนี่ยเลิกอย่าทำ นะไม่ว่าคุณจะโดนหนักขนาดไหนโดนเขาใส่ร้ายป้ายสีขนาดไหนมีความทุกข์ในใจขนาดไหนไอ้ด่ากันว่ากันอย่าทํนะาำผิดล่วงมีอย่าทำกา ร, รละขโมยอย่าทำอะไรที่เป็นอกุศลอย่าทำนะตั้งใจทําในสิ่งที่เป็นกุศลให้ทำนะแล้วถามว่าแล้วมันจะช่วยยังไงนะคือพระเจ้าเคยพูดถึงเกลือนะถ้าเราเอาเกลือก้อนหนึ่งมาละลายในน้ําในแก้วน้ํามันก็จะเค็มมากถ้าเอาเกลือก้อนขนาดเดียวกันไปละลายในแม่น้ํา มีน้ำมากเนี่ยมันก็จะเข็มน้อยแต่เช่นเดียวกันถ้าบาปกรรมให้ผลอยู่ในปัจจุบันแล้วเรามีสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำหนุนเราอยู่เนี่ยไอ้กรรมนั้นก็จะให้ผลเบาบางลงไปอืคือไม่ใช่ไม่ให้ผลนะครับครับให้ผลอยู่แต่เบาบางลงไปอืก็เหมือนเราเติมน้ำดีเยอะๆใทำความดีเยอะๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าเฮ้ยกรรมชั่วให้ผลอยู่ตอนนี้นให้ผลเป็นทุกข์อยู่ตอนนี้ไอ้บาปกรรมที่เราเคยทำเนี่ยให้ผลเป็นทุกข์อยู่ตอนนี้ แล้วเราเป็นผู้ที่หวังความหลุดพ้นนะเป็นอริยะบุคคลไปข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือว่าความชั่วเราไม่ทำํำความดีเราทําแลัก ใ, ให้มั่นใจว่าถ้าเราทําความดีไปเรื่อยๆนะไอ้ไอไอบาปกรรมที่ให้ผลเป็นทุกข์อยู่ตอนนี้มันก็จะบ่าบางลงแต่ไม่ใช่ไม่มีนะคุณต้องโดนยังไงคุณต้องโดนนะแล้วถ้าเผื่อในวาระต่อไปนะคุณให้ผลเป็นสุขนะมีความสุขเกิดขึ้นอันนี้ก็ดีไป เราก็อย่าเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมากันแล้วกันให้ตั้งหน้าตั้งตาทําความดีต่อไปอย่าไปทําสิ่งที่ควรละเว้นไอสิ่งที่ควรทาก็อย่าไปหลีกเลี่ยงให้ละเว้นสิ่งที่ควรละเว้นให้ตั้งใจทําสิ่งที่ควรทําาำไอกรรมดีนั้นก็จะให้ผลต่อไปคือบางคนเนี่ยมีวาลกรรมให้ผลเป็นสุขแล้วก็เพลิดเพลินรื่นเริงล่าเริงจนกระทั่งลืมมีความประมาทมัวเมา มีเยอะแยะเราเห็นอยู่ปัจจุบันครับพอมีความประมาทมัวเมาเสร็จแล้วไปทําชั่วนําไปคบเพื่อนชั่วทําชั่วยิ่งชั่วหนักก็้าไปอีกกาเมืองหลายคนเราเห็ น, นคือควาระกรรมในปัจจุบันเนี่ยให้ผลเป็นสุขของเขานนั้ด้วยความมีเกียรติยศ<ม>ชื่อเสียงมีทรัพย์สินเงินทองแต่แต่ว่าเพราะว่าความประมาทรุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาไปเจอเพื่อนไม่ดีบ้างแต่ทําให้ไปทําสิ่งที่ไม่ดีอันนี้คุณยิ่งพลาดเลย<ม>เพราะเมื่อไหร่ที่วาระกรรมให้ผลเป็นทุกข์คุณจะรู้ ว่ามันแบบทุกข์สาระมันพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมอย่างถูกต้องนะอาการอ้อนบอนว่าขอสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยไม่ให้เป็ น, ไ ม, ปนไม่ให้มีอันนี้คุณขอไม่ได้นะว่ากรรมใดจะให้ผลในอนาคตขอให้ได้ผลปัจจุบันกรรมใดให้ผลปัจจุบันขอให้ได้ผลอนาคตกรรมใดที่ให้ผลเป็นสุขขอให้ได้ผลเป็นทุกข์กรรมใดที่ให้ผลเป็นทุกข์ขอให้ได้ผลเป็นสุขกรรมใดที่ให้ผลเสร็จแล้วขออย่าเพิ่งให้ได้ผล หรือยังให้ผลยังอยู่เนี่ยขอให้ได้ผลเสร็จสิ้นไปออนี้ไม่ได้ครับนี่พุทธิชนพุทธชนพจนะชัด ต, ตรัสไว้ชัดเจนนะว่ากรรมใดขอให้ผลเป็นของให้ผลยังไม่เสร็จสิ้นขอให้กรรมนั้นให้ผลเสร็จสิ้นเนี่ยเป็นของที่ขอไม่ได้อ๋อเป็นตอนนี้ถ้าสมมุติว่า ก, กรรมอ่าชั่วที่เราทําไว้เนี่ยมันให้ผลอยู่เนี่ยจะขอให้มันเออเสร็จเร็วเร็วนะไม่ได้ครับอะไรที่ให้ผลมากขอให้เป็นให้ผลน้อยไม่ได้ไม่ได้ครับอะไรที่จะต้องให้ผลขอให้เป็นไม่ให้ผลไม่ได้ ครับเรียกว่าเรื่องของกรรมนี้มีความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมใช่ไหมครับไม่มีการยกเว้นในใช่ทีนี้มันก็ให้ผลตามระบบเขาหนักบ้างเบาบ้างเราแก้ไขได้ตรงนี้พระราชาจึงพูดถึงปฏิปทาเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั่คือปฏิบัติตามอริยมักมีองแปดไม่ว่าจะมาหนักซ้ายขวาหน้าหลังยังไงตื้มตามนะเราให้มีความมั่นใจตรงนี้เราจะสามารถเขาเรียกว่าตั้งอยู่ในกระแสได้เป็นผู้อยู่ในขนทางได้ ครับคือเราจะต้องอมีความมั่นใจนะคือล ะ, ละเว้นสิ่งที่ควรละเว้นอย่างจริงๆงจังๆนะเราก็ตั้งใจทำสิ่งที่ควรตั้งใจทำอย่างจริงจริงจังๆน<ล> ะ, <ล>ะเราก็เวะลาที่มีอะไรมากระทบนะเราอย่าไปโทษว่าอันนี้เป็นกรรมเก่าหรืออย่าไปโทษว่าอันนี้อยู่ๆมันก็เกิดขึ้นเองอันนี้เป็นอันนี้เราทำมากอ่อนอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะเราก็ทาปัจจุบันให้ดี ครับนะโดยที่ถ้าเรามีความโศกเกิดขึ้นบ้างนะก็ใช้วิธีคลายความโศกอย่างที่ผู้เชา้าบอกครับครบถ้วนกระบวนความนะครับมีคําถามจากท่านผู้ฟังที่ใช้ชื่อว่าชยาพัฒนะครับว่าได้นั่งสมาธิมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับทีนี้ตอนมีอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจเนี่ยความรู้สึกนี้เนี่ยคือสามารถข่มไว้ได้อย่างนี้คือความสําเร็จของการนั่งสมาธิใช่ไหมโ อ, โอ้ใช่ใช่ ค, คือข่มความรู้สึกที่ไม่ดีได้แสดงว่าคุณอดทนได้อดทนต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจได้อดกลั้นได้อย่างนี้ถือว่าดีมากครือหมายความว่าถ้าโดนภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วยังสงบส ง, งเยี่ยมอยู่ได้ยังอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ได้ยังเยือกเย็นอยู่ได้อันนี้แสดงว่าดีมากจิตคุณมีกําลังมากขึ้นการที่จิตมีกําลังมากขึ้นนั้ๆๆนอาศัยอะไรล่ะอาจะว่าเราฝึกภาวนาก็ได้อาจจะว่าเราทําฟังฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆก็ได้ อ า, อาจจะเราจะคบกับเพื่อนดีก็ได้นะคือในตรงการปฏิบัติเนี่ยถ้าเรานั่ง es, สมาธิ tober, นี่ก็เป็นงานปฏิบัติอย่างหนึ่งนะครับนี้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยถ้าเราเห็นถูกเราทําอยู่เรื่อยๆทำอยู่เรื่อยๆนี่ไม่ใช่หมายความว่าคุณมานั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆนะคุณอาจจะแก้ไขนิสัยของตัวเราเองนะอยู่เรื่อยๆเช่นเวลาเขาด่าเราปุ๊บเราอดทนด่ารูปเราอดทนเราด่ารูปเราอดทนทำอยู่เรื่อยๆทําอยู่เรื่อยนี่ชื่อว่าภาวนาแล้วครัคือไม่ได้ว่าจําเป็นต้องมานั่งหลับตาดูหนังตาด้วยก็ได้ นะคืออยู่ในที่ทํางานปัจจุบันเราพยายามที่จะแก้ไขดัดนิสัยที่ไม่ดีของเราอันนี้ก็ชื่อว่าภาวนาและพัฒนานะเพราะฉะนั้นไอเรื่องของการปรุงแต่งมันก็มีบ้างนะมันก็จะต้องทําไปเรื่อยๆคือหมายความว่าเวลาบางคนคิดว่าแหมนั่งสมาธิสักวันละหนึ่งชั่วโมงสักปีหนึ่งมันจะได้ระเบิดตุ้มขึ้นมาแล้วก็เสร็จเสจกันสติอะอย่างเงี้ยมันมันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นวิถีชีวิตต้องบอกต้องว่ามันเป็นวิถีชีวิต เป็วิถีชีวิตที่เราทําอยู่ปัจจุบันทําอยู่เรื่อยๆทำอยู่ตลอดเวลานะพยายามที่จะแก้ไขไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือเวลาที่เรามาวัดแต่เป็นเวลาที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันของเราด้วยไหแหมคนนี้มันหมันไส้เหลือเกินคันปาเกินอยากจะด่ามันเอาทนไว้เอาทนไว้แตนะ่แค่นี้คุ ณ, ค, ณคุณได้บุญแล้วครับแค่นี้คุณคุณทำํำพัฒนาจิตตัวเองแล้วครับนะเห็นเรื่องในทีวีแหมมันชั่วมากๆเรื่องนี้ขอด่าตัวละครในหนังสัหน่อยหนึ่ง มันเป็นแค่เรื่องในหนังคุณจะไปด่าเขาทำไมนะคุณอดทนเอาไว้นะคุณแก้ไขให้ได้เราเราจะ เ, าเรียกว่าพัฒนาจิตเราขึ้นน่อนิดหนึง่งหรือบางคนนะตอนนี้ราคาทองมันผันผวนเหลือเกินมีทองอยู่ในกระเป๋านะพูด ร, ราคาทองขึ้นลงนี้ถ้าเราควบคุมจิตเราได้นะตรงนี้คือคุณภาวนาละนะดู ร, ราคาทองอยู่ตามดูตลาดเศรษฐกิจดูหุ้นดูอะไรก็ตามนะไม่ใช่แค่ว่าดูละครอย่างเดียวนะเราก็ชื่อว่าพัฒนาจิตของเราในวินาทีนั่นแหละทําความดีให้เกิดขึ้นละ ไม่ไม่แวไม่แกว่งไปตามเป่ยปัจจัยภายนอกอใช่ไหมครับไ ม, ไม่ใช่แค่ว่าเรามาทำเฉพาะตอนนั่งสมาธิเข้าใจไหมใช่ ค, ครับคือถ้าเราคิดว่าเรามาทำเฉพาะตอนนั่งสมาธิแล้วหวังว่าเออชีวิตประจำวันของเราจะดีขึ้นอันนี้ก็ดีได้ส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็ท<ช>ําได้เหมือนกันอันนี้ก็ยังเป็นผลอย่างที่คุณชนาภัฒนเห็น<ม>ในขณะเดียวกันนะตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นเชา้าจนถึงก่อนนอนก่อนที่คุณจะไปทําสมาธิเนี่ยระหว่างที่ทําสมาธิตอนเช้ากับระหว่างที่ทำสมาธิตอ น, ตตอนเย็นระหว่างนี้คุณก็พัฒนาได้เหมือนกัน ด้วยการอดทนถูกดาก็อดทนจะทําความช่วเราก็เลิกทําซะในเวลาเห็นอะไรที่วุ้นวัดหวือหวาเราก็ทําใจให้เป็นปกติสบายสบายอันนี้ชื่อว่าคุณก็พัฒนาตลอดแล้วมันจะเป็นของที่หนุนเกื้อกันละกันแต่ถ้าเราอดทนได้ในตอนกลางวัน่อดทนได้ในเวลาที่เราทํากิจต่างๆตอนเย็นตอนเช้าที่คุณนั่งสมาธิอยู่ประจานี่อันนี้จะดีขึ้นมากในขณะเดียวกันถ้าตอนเย็นตอนเช้าคุณนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำตอนกลางวันคุณก็จะอดทนได้เหมือนกันมันจะหนุนเกื้อกูละกันเป็นทําที่อาศัยปัจจัยละกันเกิดขึ้น ครับอ่าศายการละการเกิดขึ้นครับต้องสาธุสาธุนะครับวันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันไปบ้างหมวรัตพงศ์ก็เรื่องของความทุกข์ของท่านผู้ถามที่บอกว่ามีญาติผู้ใหญ่นะครับปณิทิตเรื่องของว่าเออจะทำยังไงดีเวลาเจอความทุกข์มากๆนะครับวันนี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องของ intervention t e c h n i q u ที่ได้พูดเมื่อตอนก่อนหน้านัาน้นนะว่าจริงแล้วมันก็ไม่ใช่พุทธวจนะแล้วก็ได้ clarify เรื่องของสิ่งที่เป็นพุทธวัจนะบ้างไม่ใช่พุทธวัจนะบ้างต่างอะไรที่สอดคล้องกับผู้รชาติอะไรที่ไม่สอดคล้องอะไรมาก็ได้ประกาศความผิด ข, ของตัวเองในการที่เรากําหนดบทพิจารณาไม่ถูกนะโดยกา ร, รอาศัญญายเหตุปัจจัยของคุณคําถามของคุณบณิธิอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทั้งหลายมากๆเลยนะที่ว่าแชร์ประสบการณ์ตัวเองนะครับคือคือบางทีเนี่ยเรื่องต่างต่างๆที่แชร์อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้อยากจะแชร์ไม่ได้อยากจะแบ่งปันประสบการณ์แต่ว่าอย่างคุณบรรณิธิก็ตามหรือว่าท่าน ผู้ฟังอื่นที่โพสคําถามเข้ามาเนี่ยก็มีความเต็มใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้ก็ขอแสดงความดีใจด้วยครับว่านาด้วยอขอแสดงความยกย่องด้วยว่ามีความคิดที่จะแบ่งปันตรงนี้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆและเป็นประเด็นให้เราต้องมาศึกษากันได้แล้วก็ทําให้อาจรมาเห็นแง่มุมต่างๆแล้วก็ประกาศความผิดของตัวเราเองออกมา่ว่าในเรื่องนี้รายะเอยียดคืออะไรก็คือว่าการจทำไงให้ความทุกข์ที่ทิ่มแทงแล้วเนี่ยออกไปได้ครับนะ เราก็ประสบการณ์ที่คุณปณิทิได้พบเจอในเรื่องของการใช้เทคนิคพวกนี้แล้วก็จึงเพิ่มเติมในะเทคนิคที่ผู้เชาวใชนะ้ในเรื่องของการที่จะคลายความโศกนะในกรณีที่นางมาริกาเสียชีวิตไปแล้วเราก็ยังเตือนถึงว่าอย่าเป็นผู้ที่ร้านใจในภายหลังใช่ไหมครับราพูดถึงเรื่องกรร ม, ม, มใชค่ครับเรื่องกรรมว่า การออนบอนของให้กรรมที่ให้ผลเป็นให้ผลให้ผลหนักเป็นให้ผลเบาอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไปนตามเหตุสิ่งที่ควรทาก็คือว่าตั้งใจทําสิ่งที่ควครละตั้งใจทําสิ่งที่ควรทำตั้งใจละสิ่งที่ควร ล, ละเราก็ค่อยๆทําไปแต่แว่าผ่อนหนักเป็นเบาได้ไมไม่ได้ทําอถ้ามีความดีเกิดขึ้นเราอย่าลุ่มหลง ม, มัวเมาขัเตือนตรงนี้รเราก็ได้ตอบคาถามคุณชนะพัอน์ที่ชยาพัฒน์ชยาพัฒน เวลาภาวนาแล้วตอนนี้ก็คือสามารถข่มอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจขึ้นอืมก็ได้ประเด็นที่ว่ามันเป็นของที่เกื้อนหนุนซึ่งกันและกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในรายการเอพิส od ที่เท่าไหร่ตอนนี้คุณมนทพงวันนี้เจ็ดสิบสามครับเอพิส od ที่เจ็สิบสาตอนนี้เราก็คิดว่าจบไปตรงนี้แต่ถ้าท่านผู้ฟังมีสิ่งใดที่ต้องการจะแบ่งปันหนระือว่าแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาก็สามารถทําได้ครับเในวันนี้ก็พบกันเท่านี้ครับ กราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุนโนแห่งวัดป่ า, ด อ, า ด, ดอนไหนโกจังหวัดดุรดอนธา น, นีครับะครับสวัสดีครับ